เป็นหลักธรรมสำคัญที่ครอบคลุมคำสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเนื้อความทั้งหมดที่ได้แสดงมาในหนังสือเล่มนี้ก็รวมลงในอริยสัจสี่ได้ทั้งหมดดังนั้นจึงใช้หลักอริยสัจสี่เป็นบทสรุปปิดท้ายหนังสือข้อควรทราบบางประการเกี่ยวกับอริยสัจสี่มีดังต่อไปนี้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 ก็ส่งเคราะห์ลงในอริยสัจสี่ชั้นนั้นในอุปาลิวาทสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิม ป, ปัญ น, นาตมีข้อความว่าครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสอนุปพิกถาแก่อุปาลีคฤรหบดีกล่าวคือเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์โทษความบกพร่องความเศร้าหมองแห่งกาม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 หรือโลกไม่มีที่สุด Yemen. ชีวะอันนั้นรสรีระก็อันนั <Kick FA> ้นหรือชีวะก็อยากสรีระก็อย่างสัตว์หลังจากตายมีอยู่หรือไม่มีอยู่สัตว์หลังจากตายจะว่ามีอยู่ก็ใช่จะว่าไม่มีอยู่ก็ใช่หรือว่าสัตว์หลังจากตายจะว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ดังนี้ตราบใดข้าพระเจ้าก็จะไม่ครองชีวิตประเสริฐ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 เมื่อมีทิฏฐิว่าโลกเที่ยงแล้วจะมีการครองชีวิตประเสริฐขึ้นม า, าก็หาไม่เมื่อมีทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยงแล้วจะมีการครองชีวิตประเสริฐขึ้นม า, าก็หาไม่เมื่อมีทิฏฐิว่าโลกเที่ยงหรือว่าโลกไม่เที่ยงก็ตามชาติก็ยังคงมีอยู่จาราก็ยังคงมีอยู่มรณะก็ยังคงมีอยู่โสกะปริเทวะ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 พระพุทธองค์จึงตรัสว่าฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรารู้ยิ่งแล้วมิได้บอกแก่เธอทั้งหลายมีมากมายกว่าเพราะเหตุไรเราจึงมิได้บอกเพราะสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์มิใช่หลักเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อนิพิทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อนิพานภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าที่เราบอกเราบอกว่านี้ทุกขเราบอกว่านี้ทุกขะสมุ ท, ทยัยเราบอกว่านี้ทุกขะนิโรธเราบอกว่านี้ทุกขะนิโรธคาไินีปฏิปทาเพราะเหตุอะไรเราจึงบอกก็เพราะข้อนี้ประกอบด้วยประโยชน์ข้อนี้เป็นหลักเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ข้อนี้เป็นไปเพื่อนิพิทาเพื่อเวราคะเพื่อนิโรธเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพานฉะนั้นเราจึงบอกเพราะฉะนั้นแหลภิกษุทั้งหลายเธอเพิ่งกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุกหนี้ทุกข์สมุทัยนี้ทุกขกนิโรธนี้ทุกขกนิโรธขคามินีปฏิปทา